สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพลงซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดเรื่องซ่องโจรพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบห้าพระธรรมมาระโกบทที่สิบเอ็ดข้อที่สิบห้าอ่านจนถึงข้อที่สิบเก้านะครับโปรดฟังพรจะนะของพระเจ้าเมื่อมาถึงกรุงเยรูซาเล็เลมพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในพระวิหาร แล้วลงมือขับไล่บรรดาผู้ชื้อขายในบริเวณพระวิหารนั้นและคว่ำโต๊ะผู้รับแปลกเงินกับทั้งคว่ำ ม, มานั่งผู้ขายนกที่ราบเสียและทรงห้ามมิให้ผู้ใดขนสิ่งใดใดเดินลัดบริเวณพวิหารรงตรัสสอนเขาว่ามีพระจนาขเขียนไว้มิใช่หรือว่านิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสาหรับประชาชาิทั้งหลาย แป่เจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรเมื่อพวกมหาปุโรหิตและพวกธรรมจารย์ทราบอย่างนั้นจึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสียเพราะเขากลัวพระองค์ด้วยว่าประชาชนปหลาดใจด้วยคําสั่งสอนของพระองค์และเมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรงุงพิงค า, าพรพระเจ้าตอนนี้ เราจะเข้าใจได้ดีขึ้นหากเราลองจินตนาการถึงพระวิหารถรับพี่น้องจินตนาการไม่ได้นะครับผมก็อยากจะยนชวนพี่น้องที่จะดูในภาพที่ผมจะส่งไปให้พื้นที่กว้างใหญ่ที่ตั้งของพระวิหารนั้นล้อมรอบไปด้วยกำแพงมะหือมามีกำแพงทางด้านเหนือใต้ออกตก บรรดาผู้ที่มาจากทางด้านเหนือก็เข้าอยู่เฉียงทางประตูทิศเหนือกำแพงทางตะวันออกก็หันไปทางตะวันออกหันไปทางสวนเกสตเมนีหันไปทางห้วยคิดโรนประตูที่อยู่ที่ทางตะวันออกนั้นคือเรอิสเทนเกตแล้วก็ยังมีประตูอีกประตูเรียกว่าประตูงามเข้าไป ในประตูงามโดยผ่านทางสวนเกศมณีได้เบธานีภูเขามะกอกเทศสวนเกศมณีจะอยู่ทางตะวันออกของพะวิหารครับและถ้ามาทางใต้เราก็จะพบประตูใหญ่อยู่สองประตูเป็นประตูที่มีคนใช้น้อยขอโทษครับเป็นประตูที่มีคนใช้มากเป็นประตูที่มีคนใช้มาก ขวีหารก็จะเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกจากลานของคนต่างชาติต้องขึ้นไปถึง14ขั้นบันไดก็จะถึงลานของสตรีลานของสตรีต้องขึ้นไปอีก15ขั้นก็จะถึงลานสําหรับผู้ชายอิสราเอลลานสําหรับโปรหิตก็อยู่เหนือขึ้นอีกสถานที่บริสุทธิ์อยู่เหนือลาน ทุกลานครับโจเซฟัส ซ, ซึ่งเป็นนักประวัตศาส์นั้นได้กล่าวไว้ว่าก้อนหินบางก้อนในพระวิหารนั้นมีความยาวถึง67ฟุตทีเดียวสูง7ฟุตกว้าง9ฟุตนี่น้องครับมันเป็นก้อนหินก้อนเดียวที่มีขนาดใหญ่มากนะครับเมื่อประชาชนเข้าไปถึงกรุงเยอรมันแล้วได้มองเห็นพระวิหารของพวกเขาเขาก็จะเห็นเสาหินอ่อน และแผ่นทองที่ปิดทับไว้แหววาวสะท้อนกับแสงอาทิตย์และนี่เป็นที่ประทับของพระเจ้าเป็นพระวิหารที่สง่างามฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่พระบุตรของพระบิดาทรงพิโรธก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเมื่อได้เห็นว่าพระวิหารถูกใช้เหมือนกับซ่องโจรหรือเป็น่ําของพวกโจร ถ้าเราเข้าไปในพระวิหารกับพระเยซูในวันนั้นเราก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับในก้าวแรกเราก็จะได้กลิน่นปะทะกับกลิ่นของสัตว์ที่ถูกขังกรงอยู่ในบริเวณพระวิหารถูกขังไว้เพื่อที่จะขายให้แก่ประชาชนผู้ซึ่งไม่สามารถนำวัวหรือแกะมาจากหมู่บ้านของตัวเองมาถวายบูชาเราจะได้ยินเสียงของพ่อค้ารับแลกเปลี่ยนเงิน ตะโกนบอกอัคดาแลกเปลี่ยนของตัวเองเพื่อจะดึงผู้ซื้อมาอย่างโต๊ะของตัวเองผู้ที่จะต้องแลกเปลี่ยนเงินนั้นก็ส่วนใหญ่มาจากทั่วทุกสรารทิศครับประเทศต่างๆที่มีชาวยิวอาศัยอยู่พวกเขาก็จะนำดอลล่าหรือเงินของประเทศของเขาเวลาที่เขาเข้ามาที่เยอเม็มเพื่อที่จะถวายบูชาเขาต้องแลกเงินครับ พวกพค้าขายสัตก็เหมือนกันพวกรับแลกเปลี่ยน เ, นเงินตั้งโต๊ะพวกพ่อค้าขายสัยก็ตั้งเคอกไว้ที่ไหนครับไว้ที่ลานสาหรับคนต่างชาติก่อนจะซื้อสัตว์ผู้ซื้อต้องแลกเงินแลกเงินโรมันแลกเงินกรีกหรือแลกเงินอียิปต์ของเขาตามอัตราแลกเปลี่ยนที่พะวิหารแล้วถึงจะได้ซื้อสัตว์ครับ พวกเขาต้องเสียภาษีเป็นเงินเหรียญของคนยิวในอัตราครึ่งเชเคลพอค้าเหล่านี้ขายสัตและแลกเปลี่ยนเงินในอัตราที่เรียกว่าขูดรีดครับและมาหาโรหิตของพระวิหารได้อนุ ญ, ญาตให้มีการซื้อขายได้ก็เพราะอาจจะมีการคอรัปชันพระวิหารของพระเจ้าได้กลายเป็นตลาดไปแล้วและเป็นตลาดนัดด้วยมีเสียงตะโกนวกเวกกลายเป็นสถานที่ที่ทํามาหากิน ของคนบางกลุ่มบางพวกและเป็นยังมีแนวโน้มที่จะมีการคอร์รัปชันมาลโกและมัตทิวได้เขียนไว้เขียนว่าอย่างนี้ครับพระเยซูได้เสด็จเข้าไปในพระวิหารและลงมือขับไล่บรรดาผู้ซื้อขายที่นั่นทรงคว่มโต๊ะผู้รับแลกเงินควา่มม้านั่งผู้ขายนกพริราบเสียยิ่งกว่านั้นในมาลโกยังพูดครับว่ารปเยซูทรงห้ามมให้ผู้ใดขนสิ่งใดเดินลัดเวิหาร เพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเนี่ยใช้พระวิหารนะครับเป็นทางลัดระหว่างตัวเมืองกับภูเขามะกอกเทศการรักแบบเนี้ยเป็นการลัดที่ไม่ได้ขออนุ ญ, ญาตตามใจตัวเองตามใจชอบของตัวเองไม่มีการสวมรองเท้าหรือถือไม้เท้าในเข้าไปในพื้นที่พระวิหารถึงนล้วครับการยับยัง้งการใช้พวิหารที่ผิดวิธีเป็นหน้าที่ ขององค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาพระคัมภีรได้กล่าวไว้ในพระธรรมเยเ ร, รมีบทที่เจ็ดข้อสิบเอดและพระธรรมอิสยาห์บทที่ห้สบหกข้อเจ็ดกล่าวว่าอย่างนี้ครับนิเวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสําหรับประชาชาติทั้งหลายแต่เจ้าทั้งหลายได้กระทําให้เป็นถ้ำของพวกโจรคนพวกนี้นะครับเกาะเกาะพริหารนะครับกิน พี่น้องเข้าใจไหมครับคำว่าเกาะพระวิหารกินหมายถึงอาศัยช่องว่างอาศัยโอกาสอาศัยอะไรหลายอย่างที่เป็นปัจจัยส่งเสริมให้พวกเขานั้นทำหากินอยู่ในพระวิหารทั้งที่พระวิหารนั้นควรจะต้องเป็นสถานที่ที่เงียบสงบศักดิ์สิทธิ์แต่กลายเป็นสถานที่ที่ทำหากินของคนบางกลุ่มบางพวกเพื่อนครับในสมัยนี้ก็เป็นเช่นเดียวกัน หลายหายคนก็มาเกาะระบบของกิจจักรเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ใส่ตัวเองให้กับพวกพ้องของตัวเองให้กับชีวิตของตัวเองที่จะดีขึ้นแต่ตัวเองได้หาหาได้นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงไหมหาได้ทําสิ่งที่ดีกับกิจจักรและตัวเองนั้นหาได้มีความสัมพันธ์ที่แน่นสนิทกับพระเจ้าไหม อี่ครับนี่คือสิ่งที่ควรระวังไม่เพียงแต่เท่านั้นครับแทนที่พณนิเวศจะเป็นพระนิเวศแห่งการอธิษฐานเวลาที่เราจะต้องนมัส ก, การพระเจ้าคนเหล่านี้กลับไปขายของครับคนเหล่านี้กลับไปทำอย่างอื่นที่เป็นผลประโยชน์ของตัวเองบางคนมาเพื่อที่จะทำธุรกิจในโบสถ์บางคนมาเพื่อที่จะขายบางสิ่งบางอย่างในโบสถ์ บางคนมาเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์จากสมาชิกคนอื่นๆที่น้องคนอื่นๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและจะต้องหีกเลี่ยงเมื่อพวกมหาปุโรหิตสมาชิกได้ยินและได้เห็นการกระทําของพระเยซูพวกเขารับพระองค์ไม่ได้ครับแน่นอนครับคนที่มีเกี่ยวมีส่วนในการคอร์รัปชันก็ต้องหาช่องทางที่จะประหารพระเยซูเสียที่น้องครับ มาระโกบอกว่าพวกเขากลัวพระองค์เพราะอะไรครับเพราะว่าเขากลัวความจริงที่ว่าฝูงชนประทับใจคําสอนของพระองค์มากมัทธิวก็ได้ให้ข้อมูลนะครับคนตาบอดคนง่อยที่อยู่ในพระวิหารมาพาพากันมาเฝ้าพระองค์และเด็กๆ ก, ก็ร้องว่าโฆษณาแด่ราชรสของดาวิดนะครับอันนี้เป็นผลพวงจากการที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่เยรูซาเล็ม หลเด็กๆ เ, เหล่านั้นจำพระเยซูได้ครับและนี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้พวกปริศสีแคนเคืองและต่อว่าพระเยซูแต่พี่น้องครับคําสรรเสริญของเด็กโฆชนาแดราชอของดาวิดปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่แปดข้อที่สองพระองค์ทรงกระทาให้คําสรรเสริญอันจริงแท้ออกมาจากปากเด็กและถารกพี่น้องครับหากว่าเด็กสรรเสริญใคร เขาจะทำออกมาจากใจจริงของพระเจ้าอวยพรสำหรับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสสำนึกและไถ่ครวนถึงความสำคัญของพระวิหารอย่าทำให้เป็นช่องโจรอาเมน